พระรตรปิฎกฉบับประชาชน พ, าพัะรัยปิฎกเล่มที่เจ็หมวดที่หนึ่งขุตกะวัตถุคันธกะหมวดว่าด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำทรงปรารพการกระทาของภิกษุฉับ พ, พคีซึ่งมีผู้ตีเตียนจึงตรัสห้ามให้ภิกษุเอากายสีกับต้นไม้สีกับเสาสีกับข้างปา่า ในขณะอาบน้ำทรงปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิดสําหรับข้อนี้เพราะชาวบ้านติว่าทำเหมือนนักมวยปล้ำทรงห้ามอาบน้ำเอากายสีที่แผ่นกระดานที่เขาทำเป็นตาหมักรุกแล้วเอาจุนโรยไว้ใช้สีกายอันหนึง่งทรงห้ามใช้เครื่องสีกายด้วยของไม่ควรเช่นไม่ทำเป็นรูปมือ หรือจักเป็นฟันมังกรและเกลียวเชือกที่คมเอาหลังต่อหลังสีกันก็ห้ามทรงปรับอบาบัตทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิดสำหรับข้อนี้เพราะมีผู้ติดเตียนว่าทำเหมือนอย่างเครหสผู้บริโภคกรรมทรงอนุญาตไม้ไม่จักเป็นซี่และให้ใช้เกลียวผ้าหรือฝ่ามือถูตัวได้ ห้ามใช้เครื่องประดับแบบเข้าหรือหัดทรงห้ามประดับกายด้วยตุ้มหูสายสร้อยสร้อยคอสร้อยเอวเข็มขัดบานพับสำหรับรัดแขนกำไลมือและแหวนทรงปรับอาบาัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ทำเช่นนั้นข้อห้ามเกี่ยวกับผมทรงห้ามไว้ผมเกินสองเดือน หรือไว้ยาวเกินสองนิ้วอันหนึ่งส่งห้ามใช้แปลงใช้หวีใช้มือต่างหวีใช้น้ำมันหรือน้ำมันเจือน้ำใส่ผมซึ่งเป็นอย่างคฤรหัสผู้บริโภคกรารส่งปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ทำเช่นนั้นข้อห้ามเกี่ยวกับการส่องกระจกหรือแว่นส่งห้ามมองดูเงาหน้าในแว่น คือโลหะขัดเงาหรือในภาชนะน้ำเพราะชาวบ้านติดเตือนว่าทำเหมือนขราห์สผู้บริโภคกรรมมีเหตุสมควรเช่นเป็นแผลที่หน้าทรงอนุ ญ, ญาตให้ดูได้ข้อห้ามทาหน้าท า, าตัวทรงห้ามผัดหน้าไลหน้าคือการใช้ฝุ่นละลายน้ำ ทาแห้งแล้วลูบให้เสมอทรงห้ามทาหน้าเช่นทาแป้งเจิมหน้าย้อมตัวย้อมทั้งตัวทั้งหน้าทรงปรับอาบัติทุกกฏแก่ผู้ทำเช่นนั้นใช้ฝุ่นผัดหน้าเพื่อรักษาโรคได้ในเรื่องกล่าวว่ารักษาโรคตาฝุ่นนั้นคงผสมยาบางอย่าง ห้ามดูฟ้อนรำและห้ามขับด้วยเสียงอันยาวทรงห้ามไปดูฟ้อนรำขับร้องทรงห้ามขับธรรมะด้วยเสียงขับอันยาวทรงแสดงโทษห้าประการแต่ทรงอนุญาตให้สวดสารพันยะคือสวดใช้เสียงที่ไม่เสียสมณะสารูปโทษห้าประการคือหนึ่งตนเองก็ติดในเสียงนั้น 2. ผู้อื่นก็ติดในเสียงนั้น 3. ขครหบดีทั้งหลายจะยกโทษว่าสมณศักยบุตรเหล่านี้ขับร้องเหมือนพวกตน 4. เมื่อติดใจในการทอดเสียงสมาธิก็ทำลาย 5. ประชุมชนคือภิกษุในภายหลังจะถือเป็นแบบอย่าง ห้ามใช้ผ้าขนแกะส่งห้ามใช้ผ้าขนแกะที่มีขนอยู่ภายนอกซึ่งคฤรหัดใช้กันส่งปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ล่งละเมิดข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับผลไม้ส่งห้ามฉันมะม่วงเพราะภิกษุชั พ, พัคีให้คนสอยมะม่วงในพระราชอุทยาน ของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งอนุญาตให้พระชันผลไม้ได้จนพระเจ้าพิมพิสารจะเสวยเองก็ไม่ได้เสวยฝานเปลือกมะม่วงใส่แกงอนุญาตให้ฉันได้ในที่สุดทรงอนุญาตให้ฉันผลไม้ได้ทุกชนิดถ้าเป็นของควรแก่สมณะห้าอย่างคือเอาไฟจี้เอามีดกรีดเอาเล็บจิกหมายถึงที่คนอื่นทำให้ ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ดผลไม้ที่ปล่อนเปลือกออกแล้วคือการฉันผลไม้ในครั้งพุทธกาลคงใช้ขบหรือเคี้ยวเพื่อรักษาประเพณีที่ว่านักบวชไม่ควรทำลายพืชตามความนิยมของคนในครั้งนั้นจึงต้องมีข้อกําหนดให้ทำให้ควรก่อนตรัสสอนให้แผ่เมตตา ภิกษุถูกงูกัดถึงแก่มรณะภาพจึงตรัสสอนให้แผ่เมตตาในสกุลพญางูทั้งสี่รวมทั้งหมูสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกว่าสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าขอให้สัตว์เหล่านั้นจงพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามห้ามตัดองคชาติภิกษุรูปหนึ่ง เกิดความกำหนัดจึงตัดองคชาติทิ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนและทรงบัญญัติพระวินัยห้ามตัดองคชาตถ้าตัดต้องอาบัตทุนลัดใจข้อห้ามและอนุญาตเกี่ยวกับบาททรงปราบรพระปิณโดลพารัตวาชะผู้ได้บาทไม้จันมาเพราะแสดงอำนาจจิตเหนือเจ้าลัทธิทั้งหก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงบัญญัติพระวินัยห้ามแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่ข้าหรหัสถ้าแสดงต้องอาบัตทุกกฎอันหนึ่งทรงสั่งให้ทำลายบาดไม้จันนั้นเพื่อใช้การอย่างอื่นเช่นบทเป็นยาหยอดตาแล้วตรัสห้ามใช้บาดไม้และปรับอาบาัตทุกกฎแก่ผู้ใช้อันหนึ่ง ทรงห้ามใช้บาทที่ทำด้วยทองเงินแก้วมณีแก้วไพรทูลแก้วผลึกสำมฤิ์แก้วหูงดีบุกสังกสีทองแดงรวมเป็นส1บอดทั้งบาตไม้ทรงอนุญาตบาทสองชนิดคือบาทเหล็กและบาทดินทรงอนุญาตให้ใช้เชิงบาทเพื่อกันก้นบาทเสียดสีแต่ไม่อนุญาตเชิงบาทที่ทำด้วยทองเงิน หรือวิจิตงดงามทรงอนุญาตที่ทำด้วยดีบุกหรือสังกสีทรงห้ามเก็บบาด ท, ทั้งที่ยังเปียกน้ำทรงอนุญาตให้ตากแดดหรือเช็ดให้หมดน้าแล้วจึงเก็บบาดทรงห้ามเก็บบาดไว้กลางแดดทรงอนุญาตให้ตากไว้กลางแดดครู่หนึ่งแล้วจึงเก็บทรงอนุญาตที่รองบาดเพื่อกันบาดถูกลมพัดกลิ้งไปแตก ทรงห้ามเก็บบาทบนพนักบนพรึงคือชานนอนพนักทรงอนุ ญ, ญาตเครื่องรองบาทเวลาคว่ำบาทเพื่อไม่ให้ปากบาทคลุดกับพื้นสําหรับเครื่องรองบาทอนุญาตเป็นเครื่องรองหญ้าหรือผ้าก็ได้ทรงอนุญาตชั้นเก็บบาทเพื่อกันปลวกขึ้นผ้าหรือเสื้อที่รองบาททรงอนุญาตภาชนะปากกว้างสําหรับวางบาท เพื่อกันบาทปลิ้งลงมาจากชั้นทรงอนุญาตถุงบาทเพื่อกันไม่ให้ก้นบาทครูกดกับภาชนะสาหรับเก็บทรงห้ามแขวนบาทไว้กับสิ่งที่ยื่นออกมาจากข้างฝาเช่นลูกประสา์ทรงห้ามเก็บบาทไว้บนเตียงบนตังบนตักบนร่มเพื่อกันตกแตกอหนึ่ง ทรงห้ามผลักบานประตูเมื่ อ, อยังถือบาทอยู่และห้ามใช้กระทะดินกะโหลกน้ำเต้ากะโหลกหัวผีต่างบาทคือเอามาใช้แทนบาทนอกจากนั้นยังทรงห้ามทิ้งเศษอาหารก้างปลากระดูกเนื้อและน้ำอันเป็นเดนเช่นน้ำบ้วนปากลงในบาท ทรงอนุญาตมีดและเข็มต่อจากนั้นเล่าเรื่องทรงอนุญาตมีดสำหรับตัดผ้าพร้อมทั้งอนุญาตปลอกมีดและทรงอนุญาตด้ามมีดแต่ไม่อนุญาตด้ามที่ทำด้วยทองเงินวิจิตรงดงามทรงอนุญาตด้ามมีดที่ทำด้วยกระดูกงาเขาสัตว์ไม้อ้อไม้ไผ่ไม้ยางไม้ผลไม้โลหะ และขนดสังภิษุสมัยนั้นใช้ขนไก่บ้างซีไม้ไผ่บ้างเย็บจีวรปรากฏว่าไม่เรียบร้อยจึงทรงอนุญาตเข็มและเพื่อป้องกันเข็มเป็นสนิมทรงอนุญาตกล่องเข็มและผงที่ใส่ลงไปกันสนิมรวมทั้งอนุญาตให้สอดเข็มไว้ในขี้ผึ้ง ทรงอนุญาตและห้ามเกี่ยวกับไม้แบบหรือสะดึงทรงอนุญาตไม้แบบหรือไม้สะดึงและเชือกขึงรัตจีวรเข้ากับไม้สะดึงแล้วเย็บตลอดจนวิธีการต่างๆเพื่อให้การเย็บผ้าเป็นไปโดยเรียบร้อยทรงห้ามเหยียบไม้แบบทั้งที่ยังไม่ได้ล้างเท้าแม้เท้ายังเปียกอยู่ก็ห้ามเหยียบรวมทั้งห้ามเหยียบไม้แบบทั้งที่ใส่รองเท้า ทรงอนุญาตสนับนิ้วเพื่อการเข็มตามนิ้วในขณะเย็บผ้าแต่ไม่อนุญาตสนับนิ้วที่ทำด้วยทองเงินทรงอนุญาตเช่นเดียวกับด้ามมีดคือที่ทำด้วยกระดูกเป็นต้นทรงอนุญาตที่ใส่เข็มมีดและสนับนิ้วและถุงใส่สนับนิ้วได้สำหรับของบ่าสำหรับเวลานำเครื่องใช้เหล่านั้นติดตัวไป ส่งอนุญาตโรงไม้แบบคือกรถินศาลาและมณดกไม้แบบและทรงอนุญาตให้ยกพื้นกันน้ําท่วมส่งอนุญาตให้ก่อที่ยกพื้นด้วยอิฐศิลาหรือไม้ส่งอนุญาตให้มีบันไดและราวบันไดเพื่อขึ้นสู่ยกพื้นผงหญ้าในโรงไม้แบบตกลงมาจากหลังคาจึงส่งอนุญาตให้ใช้ไม้ระแนงที และชาปูนและทาสีเป็นต้นตลอดจนทรงอนุญาตให้มีห่วงแขวนจีวรและราวจีวร อ, อันหนึ่งเมื่อเสร็จกรถิ่นแล้วทรงอนุญาตให้เก็บไม้แบบให้ดีเช่นให้มีไม้ไผ่หรือด้ามไม้ประกบข้างในเพื่อกันไม้แบบแตกให้มีเชือกรัดให้แขวนไม้แบบไว้กับปราศรีหรือขอเพื่อกันตก หรือดีกว่าพิงไว้ซึ่งอาจจะล้มลงมาแตกส่งอนุญาตถุงใส่ของสายคล้องบ่าผ้ากรองน้ําและมุง้งทรงอนุญาตถุงใส่ยาถุงใส่รองเท้าและสายสําหรับคล้องบ่าส่งอนุญาตให้ใช้ผ้ากรองน้ําผ้ากรองมีด้ามและกระบอกกรองน้ําเมื่อภิกษุอื่นขอใช้ผ้ากรองน้ํา ภิกษุที่ถูกขอไม่ให้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุเดินทางไกลไม่มีผ้ากรองน้ำต้องอาบัดทุกกฎถ้าไม่มีผ้ากรองน้ำหรือกระบอกกรองน้ำให้อธิษฐานชายผ้าสังคติเป็นผ้ากรองน้ำในการก่อสร้างท่งอนุญาตเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่สองชนิดและท่งอนุญาตมุ้งสำหรับกันยุง ทรงอนุญาตการจงกรมและเรือนไปเป็นต้นทรงปรารภคำแนะนําของหมอชีวกกรมารพัฒจึงทรงอนุญาตการจงกรมคือการเดินไปมาอบรมจิตใจเป็นการออกกําลังและเรือนไปสําหรับอบกายให้เหงื่อออกแบบอาบน้ําด้วยไอน้ําต่อจากนั้นทรงอนุญาตให้ปรับรุงที่จงกรมให้ดีขึ้น มีโรงจงกลมยกพื้นกันน้ำท่วมบันไดราวบันไดส่วนเรือนไฟทรงอนุ ญ, ญาตส่วนประกอบและเครื่องปรับปรุงต่างๆเช่นปล่องไฟรางระบายน้ําเพื่อกันน้ําเชื้อแชะทรงห้ามภิกษุเปลยกายไหว้กันหรือถูหลังให้กันตลอดจนห้ามเปลือยกายแล้วให้ของรับของเคี้ยวอาหารฉันอาหารลิ้มรส ดื่มน้ำทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ทำเช่นนั้นทรงปรารพบน้ำดื่มจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้มีน้ำดื่มและเครื่องประกอบต่างๆในการนั้นเช่นขันน้ำทำด้วยโลหะทำด้วยไม้หรือหนังสัตว์รวมทั้งโรงเก็บน้ำดื่มฝาปิดที่เก็บน้ำรางน้ำตุ่มน้ำ ทรงอนุญาตที่อาบน้ำที่มีรางระบายน้ำมีฝากั้นและทรงอนุญาตผ้าเช็ดตัวทรงอนุญาตสระน้ำและให้ก่อขอบสระได้ด้วยอิฐศิลาหรือไม้ทรงอนุญาตให้มีบันไดาราวบันไดและทรงอนุญาตให้มีเมืองน้าท่อน้าเพื่อระบายน้ำในสระในที่สุด ทรงอนุญาตเรือนไปที่มุงหลังคาเป็นรูปวงกลมเรื่องที่นั่งที่นอนและที่ใส่อาหารทรงห้ามอยู่ปราศจากผ้าปูนั่งตลอดสี่เดือนทรงปรับอาบัติทุกกดแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดทรงห้ามนอนบนที่นอนที่เกลี่ยด้วยดอกไม้ทรงอนุญาตให้รับของหอมได้ โดยให้เจิมห้านิ้วไว้ที่บานประตูส่งอนุ ญ, ญาตให้รับดอกไม้ได้แต่ให้เก็บไว้ข้างหนึ่งในวิหารส่งอนุ ญ, ญาตผ้าปูนั่งที่ทอด้วยขนสัตว์และไม่ต้องอธิษฐานคือตั้งใจเอาไว้ใช้หรือวิกัพคือทําให้เป็นสองเจ้าของทรงห้ามฉันอาหารในลุง้งคือภาชนะใส่อาหารที่ทําด้วยทองแดงหรือเงิน ภิกษุเป็นไข้ไม่สามารถถือบาทไว้ในมือขณะฉันได้จึงทรงอนุญาตที่รองที่ทำด้วยไม้หมายเหตุจากหนังสือจากข้อนี้แสดงว่าผ้าปูนั่งเป็นบริคารจำเป็นสำหรับพระเวลานั่งบนพื้นจีวรจะได้ไม่สบกรปรกลยิ่งอยู่ปา่ายิ่งจำเป็นมากห้ามฉันอาหารดื่มน้ำในภาชนะเดียวกัน เป็นตนต้ทรงห้ามสันอาหารในภาชนะเดียวกันห้ามดื่มน้ำในถ้วยเดียวกันห้ามนอนร่วมกันบนเตียงเดียวกันบนผ้าปูนอนเดียวกันในโปงเดียวกันคือใช้ผ้าห่มร่วมกันเหมือนอย่างคฤหัสถ์ผู้บริโภคกรมทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิด การลงโทษความบาปแก่วัฒลิฉวีวัฒลิชวีเป็นพวกของพระเมติยะและปุมะชะกะรู้ว่าพระพวกนั้นไม่ชอบพระทัพพระมละบุตรผู้เป็นพระอรหันต์จึงวางอุบายกำจัดพระทัพพระมลระบุตรโดยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระทัพพระมลระบุตรทำชูด้วยภริยาของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประชุมสงฆ์ ใสวนได้ความจริงว่าเป็นการแกล้งใส่ความกันจึงทรงแนะสงให้ลงโทษความบาตแก่วัฏฐลิชวีทรงกําหนดองค์8สําหรับอุบาสกที่ขวรความบาตคือ 1. ขวนขวายเพื่อเสื่อมลาบแก่ภิกษุ 2. ขวนขวายเพื่อความเสียหายแก่ภิกษุ 3. ขวนขวาย เพื่ออยู่ไม่ได้แก่ภิกษุ 4. ดา่าหรือบริาพาทภิกษุทําทำภิกษุให้แตกกับภิกษุด้วยกัน 6. ติเตียนพระพุทธ 7. ติเตียนพระธรรม 8. ติเตียนพระสงฆ์ต่อจากนั้นทรงแสดงวิธีสวดประกาศความบาปโดยละเอียดเมื่อพระอานนท์ไปแจ้งให้วัฒทลิชวีทราบว่า บาดนี้สงได้ความบาดไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้ววัฏทะลิชวีเสียใจถึงสลบมิตรอมมาตยาสาโลหิตจึงแนะนําให้ไปกราบทูลขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งวัทะลิฉวีได้ปฏิบัติตามเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าวัฏทะลิฉวีสํานึกตนยอมรับผิดจึงตรัสแนะให้สงประกาศงายบาต โดยให้วัฒลิฉวีเข้าไปกราบสงฆ์ขอให้งางบาทแล้วให้สงฆ์สวดประกาศงางบาทสำหรับข้อนี้การคว่ำบาทคือไม่ยอมรับอาหารจากผู้นั้นไม่ติดต่อเกี่ยวข้องด้วยดูไม่น่ากระทบกระเทือนอะไรแต่เหตุชไหนจึงเสียใจถึงสลบเห็นได้ว่าเป็นการเสื่อมเสียทางสังคมอย่างร้ายแรงวัฒลิฉวีจึงรีบแก้ไข อย่างไม่มีทิฏฐิมานะต่อไปอีกเรื่องผ้าขาวที่ไม่ให้เหยียบและเหยียบได้โพธิราชกุมารฉลองประสาทนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าร้อมด้วยภิกษุสงไปฉันสงให้ปูผ้าขาวไว้ตลอดจนถึงชานบันไดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเหยียบมีเกล็ดเล่า ว, ว่า โปธิราชกุมารอธิษฐานว่าถ้าจะได้บุตรขอให้ทรงเหยียบต่อมาทรงปรารภเรื่องนั้นจึงตรัสห้ามมิให้เหยียบผ้าขาวถ้าเหยียบต้องอาบัดทุกกฎถ้าเจ้าของงานขอให้เหยียบเพื่อเป็นมงคลทรงอนุญาตให้เหยียบได้แม้ผ้าเช็ดเท้าก็ทรงอนุญาตให้เหยียบได้ นางวิสาขาถวายของใช้นางวิสาขานำมอน้ำที่เช็ดเท้าทำเป็นรูปฝักบัวไม้กวาดไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับมอน้ำและไม้กวาดและตรัสอนุญาตให้ภิกษุใช้ได้ตรัสห้ามใช้ที่เช็ดเท้าที่ทำเป็นรูปปักบัวส่วนเครื่องเช็ดเท้าที่ทำด้วยหินกระเบื้องและหินฟองน้ำ ส่งอนุญาตให้ใช้ได้นางวิสาขานำพัดและพัดใบตาลไปถวายส่งรับและสรงอนุญาตให้ภิกษุใช้ได้ส่งอนุญาตให้ใช้พัดสำหรับไล่ตัวแมลงแต่ไม่ส่งอนุญาตพัดที่ทำด้วยขนจามารีส่งอนุญาตพัดสามอย่างคือที่ทำด้วยเปลือกไม้ทำด้วยใบเป้งและที่ทำด้วยขนปีกนกยุง ท่งอนุญาตและห้ามใช้ร่มครั้งแรกท่งอนุญาตให้ใช้ร่มภายหลังภิกษุช พ, พักขีกางร่มเที่ยวไปในที่ต่างๆมีผู้ติเตียนว่าทำอย่างมหาอมาตจึงส่งห้ามใช้ร่มแต่ทรงผ่อนผันให้ใช้ร่มได้เมื่อไม่สบายเมื่อใช้ภายในวัดหรือในบริเวณวัดถือเอาความว่า ถ้าใช้ร่มเพื่อป้องกันแดดผลธรรมดาก็อนุญาตให้ใช้ได้ในข้อว่าถ้าไม่ใช้ไม่สบายแต่ถ้าใช้ร่มเพื่อแสดงเกียรติเช่นมหาอามาตย์หรือพระราชาถ้าใช้เพื่อเช่นนั้นพระพุทธองค์ทรงห้ามทรงห้ามและอนุญาตไม้คานสาหรก ครั้งแรกส่งห้ามภิกษุไม่ให้ใช้ไม้คานสาหรกนําของไปในที่ต่างๆต่อมามีภิกษุป่วยไขย้ต้องการใช้ไม้คานคอนของไปก็ส่งอนุญาตโดยให้สงสวนประกาศสมมุติให้เป็นพิเศษต่อมาอีกมีภิกษุป่วยไขย้ต้องการใช้สาหรกสำหรับหิ้วบาทไปก็ส่งอนุญาตโดยให้สงประกาศสมมุติให้เป็นพิเศษ ต่อมามีความจำเป็นที่ภิกษุป่วยไข้จะใช้ทั้งไม้คานทั้งสาแหกก็ส่งอนุญาตและให้สงสูตรสมมุติเช่นเคยเรื่องอาเจียนแล ะ, มะเมล็ดข้าวภิกษุรูปหนึ่งเป็นโรคอาเจียนอาเจียนออกมาแล้วก็กลืนเข้าไปถูกกล่าวหาว่าฉันอาหารในเวลาวิการ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตพิเศษสำหรับภิกษุผู้เป็นโรคนี้แต่ห้ามว่าถ้าอาเจียนออกจากปากแล้วไม่ให้กลืนกินเข้าไปอีกในโรงฉันมีมเมล็ดข้าวเกลือนกลนมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตว่าของที่เข้าถวายที่ตกให้เก็บขึ้นฉันเองได้เพราะถายกบริจาคสิ่งนั้นแล้ว ในข้อนี้เพ่งเลงเฉพาะไม่เป็นอาบัติเมื่อฉันของไม่ได้รับประเคนแต่ถ้าเพ่งว่าของนั้นจะสกปรกก็จะต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปในเรื่องนี้ไม่บังคับให้ฉันของตกแต่อนุญาตว่าของตกเมื่อเขาถวายแล้วให้หยิบขึ้นมาฉันเองได้จึงน่าจะเลือกดูว่าในกรณีที่ของนั้นไม่สกปรกก็ควรฉันได้เรื่องนี้ผู้เขียน คืออาจารย์สุชีปุญญานุภาพนะครับได้เคยแปลกใจมากแล้วเมื่อเคยรับประทานร่วมกับชาวยุโรปไปบ่อยเศษขนมปังเล็กๆน้อยๆที่ตกอยู่ข้างจานเห็นเขาเอานิ้วจิ้มให้ติดและเอาเข้าปากทรงอนุ ญ, ญาตมีตัดเล็บเป็นต้นทรงห้ามไว้เล็บยาว ทีกสุผู้ไว้เล็บยาวต้องอาบาดทุกกฎและส่งอนุญาตมีตัดเล็บให้ตัดพอเสมอเนื้อส่งห้ามขัดเล็บให้เกลี้ยกล่วทั้ง20สบนิ้วความหมายคือเพื่อความสวยงามส่งปรับอาบัดทุกกฎการนำมูลเล็บหรือขี้เล็บออกส่งอนุญาตเรื่องผมและหนวดเครา ทรงถามว่าจะสามารถโกนศีรษะกันเองได้หรือไม่เมื่อภิกษุทั้งหลายรับว่าได้จึงทรงอนุญาตมีดโกนหินรับมีดฝักมีดโกนเครื่องสะบัดมีดโกนและเครื่องใช้เกี่ยวกับมีดโกนทุกชนิดเฉพาะภิกษุผู้เคยเป็นช่างตัดผมมีห้ามไว้ในที่อื่นไม่ให้มีเครื่องมีดโกนไว้ใช้ด้วยเกรงจะอยากไปประกอบอาชีพนั้นอีก ภิกษุชพักขีแต่งหนวดด้วยกันไกรและไว้หนวดไว้เคราเป็นรูปต่างๆรวมทั้งให้นําขนในที่แคบออกทรงห้ามและปรับอาบัตทุกกฎในกรณีที่ป่วยไข้ทรงอนุญาตให้นําขนในที่แคบออกได้เช่นเมื่อเป็นแผลหรือต้องการทายาทรงห้ามตัดผมด้วยกันไกรทรงอนุญาตให้มีมตดโกน แต่ถ้าป่วยไข้ท่งอนุญาตให้ตัดผมด้วยกันไกลได้ส่งห้ามไว้ขนจมูกยาวเพราะมีผู้ติดเตียนท่งอนุญาตให้ถอนด้วยแหนบส่งห้ามถอนผมงอกและปรับอาบัต ท, ทุกกฎเมื่อล่วงละเมิดเครื่องใช้เบ็ดตเตล็ดท่งอนุญาตเครื่องแค่หู แต่ไม่อนุญาตที่ทำด้วยทองเงินส่งอนุญาตเครื่องแค่หูที่ทำด้วยกระดูกงาเขาสัตว์เป็นต้นทรงห้ามสะสมเครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะและสำริดและปรับอาบัต ท, ทุกกดเมื่อล่วงละเมิดส่งอนุญาตปลอกหรือฝากยาตาไม้ป้ายยาตาไม้แคะ เครื่องใช้ที่เป็นผ้าทรงห้ามรัดเข่าด้วยใช้ผ้าสังคติรัดและปรับอบาบัตทุกกดเมื่อล่วงละเมิดแต่ภิกษุบางรูปป่วยไข้ไม่มีเครื่องรัดเขา่าก็ไม่สบายจึงทรงอนุญาตเครื่องรัดเขา่าทรงอนุญาตเครื่องมือของช่างหูกทุกชนิดเพื่อให้ทําเชือกรัดเขา่า สำหรับการรัดเข่าของคนในครั้งนั้นมีสามชนิดคือรัดด้วยเครื่องวัดรัดด้วยมือและรัดด้วยผ้าเป็นความเคยชินที่ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่สบายโดยปกติเครื่องรัดนั้นก็รัดโอบหลังตะโพกและเขา่าเมื่อคล้องลงไปแล้วก็นั่งอย่างสบายอันหนึ่งในเรื่องนี้ถึงกับทรงอนุญาตให้พระทอเครื่องรัดเข่าเองได้ แสดงว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องเสียเวลามากเหมือนทอผ้าเพราะไม่เช่นนั้นพระจะกังวลด้วยการงานชนิดนี้จนไม่เป็นอันศึกษาหรืออบรมจิตใจทรงห้ามเข้าบ้านโดยไม่มีประคตเอวเพราะปรากฏว่าภิกษุรูปหนึ่งผ้านุ่งหลุดในบ้านทรงห้ามประคตเอวที่ถักสวยงามมีซั้สทรงต่างๆ ซึ่งคฤหัสถ์สมัยนั้นนิยมใช้กันทรงอนุ ญ, ญาตประคตเอลที่ทอตามปกติที่เรียกว่าประคตแผ่นและชนิดไส้สุกรทรงอนุมัติวิธีการต่างๆที่จะทำให้ประคตมั่นคงเช่นการทอและเย็บชายให้มั่นคงในที่สุดทรงอนุญาตโลกทวินคือห่วงสำหรับร้อยประคตเอล ทรงห้ามใช้ลูกทวินที่ทำด้วยทองเงินทรงอนุ ญ, ญาตลูกทวินที่ทำด้วยกระดูกงาเขาสัตว์ไม้อ้อไม้ไผ่ไม้แก่นยางไม้ผลไม้เช่นกะลามะพร้าวโลหะขนดสังและได้ถักทรงอนุ ญ, ญาตลูกดุมและรังดุมสำหรับสังฆาติเวลาห่มเข้าบ้านลมจะได้ไม่พัดให้สังฆาติเปิด และส่งห้ามลูกดุมอย่างเดียวกับลูกทวินทรงอนุญาตให้ติดแผ่นผ้าสำหรับลูกดุมและรังดุมเพื่อกันจีวรชำรุดเมื่อติดแล้วมุมจีวรยังเปิดก็ส่งอนุญาตให้ติดลูกดุมที่ชายจีวรส่วนรังดุมให้ติดลึกเข้าไปเจ็ดหรือแปดนิ้วทรงห้ามนุ่งห่มแบบคารืหัดเช่นนุ่งแบบงวงช้าง นุ่งแบบหางปลานุ่งแบบปล่อยสี่ชายนุ่งแบบก้านตาลและนุ่งยกลีบอันหนึ่งส่งห้ามห่มผ้าแบบเขหรือหัดและห้ามนุ่งผ้าอยากรั้งแบบนักมวยปล้ำและกรรมกรเรื่องหาบหามส่งห้ามหาบของโดยมีของอยู่สองด้านหมายถึงมีคนหาบอยู่กลาง เพราะมีผู้กล่าวว่าทำเหมือนคนหาของของพระราชาส่งอนุญาตการคอนคือมีของด้านเดียวการหามหมายถึงของอยู่กลางคนอยู่สองข้างการแบกบนศีรษะการแบกบนบาการกระเดียดที่สะเอวและการสะพายคือห้อยหรือแขวน การเคี้ยวไม้สีฟันทรงแสดงโทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟันห้าประการและแสดงอนิสงค์คือผลดีในการเคี้ยวไม้สีฟันห้าประการทรงห้ามเคี้ยวไม้สีฟันยาวเกิน8ดนิ้วและห้ามเอาไม้สีฟันตีสามเณรทรงห้ามเคี้ยวไม้สีฟันสั้นเกินสี่นิ้วและปรับอาบัติทุกกฎ เมื่อล่วงละเมิดห้ามจุดป่าและขึ้นต้นไม้ทรงห้ามเผาป่าและปรับอบาบัตทุกกฎเมื่อไฟไหม้ป่าลามมาทรงอนุญาตให้จุดไฟรับได้ทรงห้ามขึ้นต้นไม้เมื่อมีเหตุจำเป็นอนุญาตให้ขึ้นได้แค่ตัวคนแต่ถ้ามีอันตราย ทรงอนุญาตให้ขึ้นสูงได้ตามต้องการห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันฉันในที่นี้ลงท้ายด้วยทหารกัลัานนะครับทรงห้ามยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉันทรงอนุญาตให้เรียนพุทธวจนะด้วยภาษาของตนได้อธิกถาแก้ว่า ห้ามยกพุทธวจนะขึ้นสู่ภาษาสันสกฤตทำนองพระเวทของพราหมณ์แต่มีทางสนิฐานว่าห้ามแต่งพ้อยคำของพระพุทธเจ้าเป็นคำฉันเพราะอาจทำให้ความหมายเดิมผิดเพี้ยนหรือบิดผันไปตามบังคับหนักเบาของคำฉันยิ่งถ้าผู้แต่งไม่แตกฉานในภาษาเพียงพอก็จะเป็นการทำร้ายพุทธวจนะทาให้เนื้อความแปรปรวนไป แต่การห้ามทั้งนี้น่าจะหมายความว่าการแต่งเพื่อใช้เป็นตำรับตำราซึ่งจะต้องท่องจำเล่าเรียนศึกษาส่วนการแต่งสะดุดีตามปกติอันเป็นของส่วนบุคคลไม่อยู่ในข้อนี้ในเรื่องเดิมเล่าถึงภิกษุผู้เกิดในสกุลพราหมณ์สองรูปไปขออาสาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะยกพุทธวจนะขึ้นโดยฉัน แต่ทรงปฏิเสธและบัญญัติข้อห้ามไว้ด้วยสำหรับคำว่าฉันที่ลงท้ายด้วยทศหารกรั์หมายถึงชื่อคำประพันธ์ประเภทหนึ่งที่กำหนดลงท้ายด้วยครุและละหุหรือเสียงหนักเสียงเบาห้ามเรียนห้ามสอนโลกายตะและติรชานวิชา ทรงห้ามเรียนห้ามสอนโลกายตะได้แก่คติที่ถือว่าควรหาความสุขไปวันวันหนึ่งดีกว่าจะไปคำนึงถึงบาบุญทำไมครวรร่าเริงกินเหล้าเป็นนี่เป็นสินตามชอบใจซึ่งหนักไปทางวัตถุนิยมแต่ในอัธกถาแก้ ว, ว่าเป็นคำภีหรือตำราของพวกนอกศาสนาเช่นว่าด้วยกาเผือกนกยางดำในที่บางแห่งแก้ ว, ว่า วิตันดาศาสตร์ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในการศึกษาของพราหมณ์ทรงห้ามเรียนห้ามสอนโลกายตะและรวมทั้งห้ามเรียนห้ามสอนติรัชานวิชาคือวิชานอกที่ไม่มีประโยชน์ทรงปรับอาบัติแก่ผู้ล่วงละเมิดห้ามถือโชคลางแต่ไม่ขัดใจคนอื่น ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรมส่งจามขึ้นภิกษุทั้งหลายก็ส่งเสียงร้องดังขึ้นว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเจริญพระชนจนเป็นอุปสรรคแก่การแสดงธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเมื่อพูดเช่นนั้นจะทำให้มีชีวิตหรือทำให้ตายไปได้จริงๆหรือเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ไม่เป็นไปได้จึงตรัสห้ามพูดแก้ลางแบบนั้นเมื่อมีการจามและปรับอาบัต ท, ทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิดเป็นธรรมเนียมของคนในครั้งนั้นถ้าพระภิกษุจามแล้วชาวบ้านพูดว่าขอให้ท่านมีชีวิตอยู่พระจะต้องกล่าวตอบโดยอัธยาศัยไมตรีว่าขอให้ท่านมีชีวิตอยู่เช่นกันภิกษุทั้งหลาย ไม่กล้ากล่าวตอบเกรงจะผิดพระพุทธบัญญัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงผ่อนผันให้กล่าวตอบเข้าได้แต่ไม่ให้ใช้กันเองในหมู่ภิกษุห้ามฉันกระเทียมภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียมเกรงภิกษุอื่นจะเหม็นเวลานั่งฟังธรรมเลยนั่งห่างจากภิกษุอื่นๆไม่เข้าใกล้ใคร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงห้ามชันกระเทียมและปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิดภายหลังอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุอาพาธชันได้สำหรับข้อนี้คงหมายถึงชันกระเทียมเปล่าๆถ้าชันปนกับของอื่นหรือที่เขาปรุงสำเร็จแล้วไม่น่าจะอยู่ในข้อห้ามนี้ถ้าจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการห้ามก็จะเห็นได้ว่าเพื่อไม่ให้เข้าหมูไม่ได้ หรือทำความรังคาญแก่หมูหรือเป็นเหตุให้เสียการฟังธรรมเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องกลิ่นแรงของกระเทียมจึงเป็นประเด็นสําคัญในที่นี้ทรงอนุ ญ, ญาตที่ถ่ายปัสสวะอุจจาระในเรื่องปัสสาวะทรงอนุญาตให้ถ่ายในที่ที่จัดไว้ ทรงอนุญาตม้อปัสสวะที่รองเหยียบเวลานั่งถ่ายฝาหรือกำแพงสำหรับกั้นที่ทำด้วยอิฐศิลาหรือไม้รวมทั้งฝาปิดหมอปัสสวะเพื่อกันกลิ่นเหมน็นในเรื่องอุจจาระทรงอนุญาตให้ถ่ายในที่ที่จัดไว้ให้มีหลุมอุจจาระและให้ก่อยกพื้นให้สูงเพื่อกันน้ำท่วมให้มีบันไดและราวบันได ให้ลาดพื้นเจาะช่องตรงกลางให้มีเขียงรองเหยียบให้มีรางปัสสาวะให้ใช้ไม้ชําระที่ใส่ไม้ชําระและฝาปิดหลุมอุจจาระและให้มีโรองถ่ายโดยเฉพาะที่เรียกว่าวัดจา ก, กุติมีฝาหรือกำแพงพร้อมทั้งเครื่องประกอบเช่นดานกรอนเชือกชักราวผ้าจีวรเป็นต้น อันหนึ่งได้ส่งอนุ ญ, ญาตให้เมียซุ้มสำหรับชำระทำความสะอาดเมื่อเสร็จจากอุจจาระแล้วให้มีรางระบายน้ำให้มีหม้อน้ำชำระขันตักน้ำชำระและเขียงรองขณะชำระตลอดจนฝาหรือกำแพงทรงห้ามประพฤติอนาจาร์ภิกษุชัพพักขี พระพิทอนณาจารย์มีประการต่างๆเช่นประจบคฤหัสเกี่ยวข้องกับสตรีมากเกินไปเล่นฟ้อนรำขับร้องเล่นกีฬาสนุกต่างๆทรงห้ามทำเช่นนั้นและให้ปรับอาบัติตามควรแก่ความผิดทรงอนุ ญ, ญาตเครื่องใช้ พระอุรุเวลกัสปะบวชแล้วก็มีผู้ถวายเครื่องใช้ทำด้วยโลหะทำด้วยไม้ทำด้วยดินเหนียวท่านสงสัยว่าทรงอนุญาตไว้หรือเปล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอนุญาตให้ใช้ได้